วชวปื้มมาแล้วค่ะเดี๋ยวะปื้มนีชว น, นมากปื้มบอกไป้วแม่อกไปล่ไปไม่ได้ไปนานแล้การปฏิบัติเราต้องรู้จักตัวเราถ้าเราไม่รู้จักตัวเราจะให้คนอื่นมารู้จักตัวเราไม่ได้และเราจะต้องสามารถวัดผลในตัวเราได้ด้วยว่าผลที่เกิดขึ้นในตัวเราเป็นอย่างไรจะให้คนอื่นมาวัดผลในตัวเราก็ไม่ได้อีกเพราะนั้นการปฏิบัติ จะต้องถามว่าใครไปถึงระดับไหนระดับไหนระดับไหนเพราะถ้าเราไม่รู้ระดับของเราก็การปฏิบัติก็ก็รูปลคําำงงงายๆกันไปอย่างงี้ยมันยังใช้ไม่ได้เข้าถึงผลก็บอกเข้าถึงผลเข้าถึงระดับผลเบื้องเบื้องล่างระดับกลางระดับสูงระดับสุดท้ายก็จะ mm hmm. ต้องรับรู้ภายในตนเอง อย่าให้คนอื่นมารับรู้แล้วคนอื่นเขาไม่สามารถรับรู้ได้เขาคนอื่นเขาแค่รับฟังในสิ่งที่เราเข้าถึงในสิ่งที่เราเข้าถึงแล้วเราเอาสิ่งที่เราเข้าถึงมาพูดกับเขาเขาแค่รับฟังพอเขารับฟังเขาก็จะทราบฐานะของเราว่าเราอยู่ในฐานะแห่งคุณธรรมที่เข้าถึง น, นระดับใดขั้งรรพุทธการเพื่อเจ้ารู้จิตรู้ใจรู้จิตของบุคคลผู้หลุดพ้นว่าไม่หลุดพ้นระดับไหนพระก็สามารถบอกได้ว่าจิตของคนนี้อยู่ระดับเท่านี้ใช่ไหมละ่ะ แต่อาตามาไม่สามารถรู้ได้ เ, เมื่อไม่สามารถรู้ได้ต้องบอกอาตามาไม่ใช่ตรอให้ครูบาอาจารย์มาเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านรู้เองมันไม่รู้อ่ะจิตของเราแต่ละวันคิดอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงตอนนี้มันคิดอะไรสเปสสป่าไปหมดตื่นขึ้นมาแล้วตั้งสติรับรู้อยู่ในกายในจิตตลอดเวลาหรือเปล่าไม่มีทางใช่ไหมห่ะเสียงเข้าหูหน่อยก็คิดไปตามเสียงแล้วเห็นสิ่งต่างๆ ทางสายตาเปิดทีวีปุ๊บคิดไปตามเรื่องในทีวีแล้วใช่ไหมแต่จะเป็นการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใดๆก็ตามหากการรับรู้นั้นกาหนดรู้อยู่เสมอว่า น, นี้ทุกนี้เห็นที่เกิดทุกนี้ความดับไปของทุกนี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่ไดย้ยินในสิ่งที่ดมกลิ่นลิ้มรสและรับสัมผัสทางใจสัมผัสทางกายและอารมณ์ ก, ก็ปรากฏกับใจเห็นอริยสัจในขณะที่รับทราบอารมณ์นั้นอันเนี้ย แม้จะเห็นภายนอกรับทราบภายนอกก็ไม่เป็นการรับทราบที่ผิดแต่ถ้าเห็นแล้วไม่มไ่เห็นอริยสัจในสิ่งที่เห็นนั่นอันนั้นก็เป็นการรับทราบที่ผิดสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดตั้งแต่วันเกิดจนถึงทุกวันนี้เป็นการเห็นที่ผิดเป็นการรับรู้รับทราบข้อมูลที่ผิดเป็นการเห็นในสิ่งที่เราไม่เข้าใจเป็นการรับรู้รับทราบข้อมูลในสิ่งที่เราไม่เข้าใจศาสนาจึงสอนหลักความจริงให้เราได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่เราไปรู้ไปเห็น เรารู้เห็นอะไรในสิ่งที่เรารู้เห็นนั่นน่ะเราจะเห็นอยู่ในชั้นของเป็นความเป็นตัวตนทั้งหมดแล้วยึดยึดมันไว้มองเห็นกันอย่างนี้ก็เห็นเป็นการเป็นตัวตนอย่างเงี้ยเราไม่ได้เห็นว่านี่ทุกสิ่งที่เห็นเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยทุกไม่รู้ว่าคนที่นั่งอยู่นี้และเราไม่รู้คนที่นั่งอยู่นี้ว่าเป็นทุกข์ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วและไม่รู้ว่าคนที่นั่งอยู่นี้เป็นทุก เป็นเหตุกอ่อให้เกิดทุกข์ก็ไม่รู้การที่จะดับว่าจะดับทุกข์ยังไงนีโรถก็ไม่ปรากฏและเมื่อไม่รู้ว่าคนที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นทุกข์และเป็นเหตุที่เกิดทุกข์และไม่รู้ความดับที่จะเข้าไปดับทุกข์เพราะไม่ทราบเหตุ ก, mm hmm. ก็จะไม่รู้จักทางปฏิบัติที่มีความดับทุกข์เห็นไหมละ่ะเกี่ยวโยงกันหมดหลักทำไมพระเจ้าถึงให้เราเห็นทุกข์ตรงเนี้ย แต่ทำไมเราไม่เห็นความทุกข์ตามหลักคําสอนประเด็นอยู่อย่างเงี้ยเราทําไมตื่นขึ้นมาปั๊บเราไม่ได้เห็นความทุกข์ท่านทนที่ความทุกข์มันแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาคําว่าเห็นทุกข์ไม่ใช่ว่าต้องรอให้ตัวเองเป็นทุกข์นะไอการที่รอให้ตัวเองเป็นทุกข์อันนั้นคือมันเป็นมันมันไม่เห็นแล้วคือเป็นแล้วเป็นตามอาการของความทุกข์ไปแล้วถ้าเราเป็นไปตามอาการของความทุกข์เราก็จะถูกความทุกข์บีบคั้นให้เป็นให้กระทํา และก็มีแรงแห่งความอยากที่จะกระทําเมื่อมีทุกข์จึงมีแรงแห่งความอยากบีบคั้นให้เราได้กระทําต่อสิ่งที่เป็นทุกข์ใช่ไหมละ่ะพอมีความทุกข์กันเองเราจึงเกิดความดิ้นรนเดือดร้อนในสิ่งที่เป็นอาการที่ดิด้นรนเดือดร้อนในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นคือเหตุตาจึงบอกว่าทุกข์มีอยู่สองชั้นทุกข์ในชั้นของเป็นสัจจ์อันหนึ่งกับทุกข์ในชั้นที่เป็นสบุทษยอันหนึ่งทุกข์ที่เป็นชั้นของสัจจ์เป็นทุกข์แท้ให้ยอมรับ แต่ทุกในชั้นของสบุ่ไทยคือความเดือดร้อนความอยากความต้องการความดิ้นรนความปรารถนาอันเนี้ยเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากอันเนี้ยควละเป็นจะเป็นคำรองนี้และยามสอนพวกเราเข้าใจและแบ่งแบ่งความทุกข์ให้รู้ว่าทุกอะไรควรกําหนดรู้และยอมรับทุกอะไรควรละและไม่ควรทำให้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมาปั๊บเราไม่สามารถสร้าง อาการของอัลลีสซัสในขณะที่ตื่นขึ้นตารับลูกหูรับเสียงจมูกรับกลิ่นลิ้นลับรสกายรับการสัมผัสลุกจากที่นอนออกมาเนี่ยรู้ไหมว่าลุกขึ้นมานั่นเป็นอาการของความทุกข์จากที่นอนแม้นอนอยู่ก็คือความทุกข์แม้แต่หลับก่อนหลับย้อนไปก่อนที่จะนอนหลับกลางคืนเสร็จการเสร็จงานอะไรเรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่จะนอนหลับนะนอนลงไปหัวถึงหมอนก็คือความทุกข์เรามองเห็นไหมลนะ่ะ มองไม่เห็นใช่ไหมล่ะหรือว่าหรือว่ากูจะนอนให้มันเต็มที่แล้ววันนี้คื้นนี้อย่างเงี้ยใช่ไหม ม, มันเป็นเรื่องของปัญญาเพราะว่าการมาเห็นทุกข์นั้นไม่ใช่รอให้เราเป็นทุกข์แม้แต่เป็นสุขอยู่ก็คือทุกข์อันหนึ่งทําไมความเป็นสุขที่เราเป็นมันถึงเป็นทุกข์เพราะตราบใดที่เรายัง มีความรู้สึกแบบเป็นความสุขในชีวิตนี้หรือต้องการให้ชีวิตนี้มีความสุขโดยให้กาย ม, มีความสุขให้ใจมีความสุขนั่นคือการยินดีในขันยินดีในรูปประขันกับนามขันรูปประขันคือดินน้ำไฟลมยินดีในดินในน้ำในไฟในลนมนามขันคือยินดีในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ เมื่อยินดีในรูปอาขันและนามาขันคือยินดีในรูปกับนามพอใจในรูปกับนามที่มันเป็นสุขอยู่ขันทั้งหมดได้ชื่อว่าเป็นทุกข์ทุกขัสัจจ์เมื่อยังยินดีในขันอยู่แม้จะเป็นสุขในเวลานั้นก็คือยินดีในทุกอยู่ขันทั้งหมดแม้มันจะไม่แสดงความทุกข์ขึ้นมาให้เราได้เป็นในเวลานั้นก็ตามแต่พุทธเจ้าให้มองเห็นด้วยปัญญารู้แม้กระทั่งความสุขที่เกิดขึ้นในขันนั้นก็คือความทุกข์ อาแล้วเราจะทํำยังไงสุขก็เป็นทุกข์ทำไงไม่ว่าทําไงก็แค่รู้อาการของความทุกข์รู้ว่าสุขเนี้ยเป็นขันเป็นเวทนาขันอ๋อตอนนี้เวทนาขันกําลังเกิดกับเราหัวถึงหมอนตาหลับลงไปจิตกําลังก้าวล่วงไปสู่ความหลับหลับลงไปก็สุขใช่ไหมลนะ่ะเราก็รับทราบรอยู่ว่าอันนี้คือเวทนาขันเวทนาขันนี้เป็นทุกข์ขัดจัง ผู้ขัดจักนี้เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับเห็นไหมล่ะปัญญาปัญญามจะเข้าไปการทําการเรียนรู้ในขณะที่เรานอนหลับตื่นนอนขึ้นมาจะสดชื่นจะงัวงเงียจะอะไรก็ตามดีไม่ดีถึงเวลาตื่นแล้วไม่อยากจะตื่นมาปุ๊กกูทําไมวะอะไรแบนี้เกิดอะไรขึ้นหรือมีเสียงดังตึงตังขณะที่นอนหลับอยู่ก็จิตก็ไม่เป็นสุข จะเป็นยังไงก็ตามเมื่อเรากําหนดรู้ความทุกข์ในเวทนาอยู่เมื่อมีอาการแห่งความทุกข์เกิดขึ้นเราก็จะไม่ไปวิตกกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรก็เรากำหนดรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นทุกข์ความทุกข์จะเกิดขึ้นมาอย่างไงก็ตามเวทนาแม้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็คือความทุกข์ทุกข์ั้นสัจจ์กับทุกข์เวทนาไม่เหมือนกันทุกข์ขั้นสัจจ์คือทุกข์ในอริยสัจสีทุกข์เวทนา คือทุกในขันทุกเวทนาคือทุกในขันนั้นเป็นเวทนาในชั้นของการเสพเสวยเสวยเสวยอารมณ์หรือว่าแสดงอาการแสดงอาการในสิ่งที่เราสัมผัสสิ่งที่เราสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจะจะับปรากฏออกมาเป็นการแสดงอาการอยู่สองประการคือแสดงอาการทางด้านสุขแสดงอาการทางด้านทุกข์อยู่สองประการนี้ไม่เกินนี้เอาบางคนบอกเอาก็ออาทุกขามาสุ ข, ขเวทนาไง เฉยๆนั่นแหละอาการที่เฉยเรื่องไม่สุขไม่ทุกข์นั่นเองก็ไม่ไม่ใช่เป็นตัวแสดงเลยก็แสดงอยู่นะอาทุคํำว่าสุขวเวทนาก็เป็นเวทนาคือเป็นตัวการแสดงอาการอยู่แต่อาทุคําว่าสุขวเวทนาเนี่ยพระุทธเจ้าจัดอยู่ในส่วนของความทุกข์พวงให้จัดอยู่ในส่วนของความทุกข์ก็ไม่ใช่เพอะไรจัดอยู่ในส่วนของความสุขให้จัดความเฉยๆต่างๆเนี่ยไว้ในส่วนของความสุขเพราะอะไร เพราะมันไม่ม to yeah. ีทุกอยู่ในนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะแบ่งแบ่งเวทนาหรือการแสดงอาการหรือการเสวยอารมณ์เนี่ยให้เราเข้าใจได้ง่ายพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ทําของยากให้ง่ายอะไรก็ะาำที่มันยุ่งยากแล้วไม่เป็นไปเพื่อขอให้เกิดประโยชน์เนี่ยพระเจ้าจะสอนให้เราถอยออกมาวางมันลงแล้วมาทําในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ในสิ่งที่มันง่ายและเกิดประโยชน์ไม่ใช่ง่ายแบบมากง่ายนะคือทําสิ่งที่มัน ไม่ยุ่งยากเป็นไปเพื่อความลกในทิฏฐิทิฏฐิลกเหมือนกับป่าที่มันลกเดินไปยากพี่เจ้าจึงบอกว่าจงถางป่าจงตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้มันคืออะไรตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้อะไรคือป่าอะไรคือต้นไม้ <c oughs> <c oughs> ในความหมายของพุทธองค์พองค์ทรง ส, งสอนให้เราได้เข้าใจ เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันลกอยู่ในจิตในใจของเราที่เราเข้าใจยุ่งยากต่างๆนานาพรองค์ย่นเข้ามาให้เรากําหนดรู้ให้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นการรับรู้ที่แสดงอาการในสิ่งที่สัมผัสกับเราจะมี2ด้านด้านสุกกับด้านทุกข์และชีวิตของเราก็มีอยู่สด้านอย่างเงี้ยตั้งแต่วันเกิดจนถึงทุกวันนี้มีสุขกับทุกข์สองอย่างที่วนเวียนอยู่กับชีวิตเราไม่เกินนี่เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ใช่ไหม มีมีใครรู้สึกเกินไปกว่านี้ไหมไม่สุขก็ทุกอย่างเงี้ยใช่ไหมทั้งชีวิตแล้วก็จนตลอดไปจนตาย mm hmm. เกิดใหม่ mm hmm. ก็มีอยู่สองอย่างเนี่ยวนเวียนอยู่ในชีวิตในจิตพอใจไม่พอใจสุขทุกพอใจไม่พอใจสุขทุกพอใจไม่พอใจสุขทุกพอใจไม่พอใจเจอสิ่งที่ถูกใจเป็นสุขเจอสิ่งที่ขัดแย้งใจเป็นทุกอยู่แค่นี้ไม่เกินนี่ กำหนดรู้สองอย่างนี้เป็นตัวแสดงอาการในสิ่งที่เราเกี่ยวข้องเมื่อเราเกี่ยวข้องสิ่งใดสิ่งนั้นแสดงอาการออกมาเป็นสองด้านเมื่ออาการทั้งสองด้านถูกแสดงออกมาอย่างนี้แล้วเราจะปฏิบัติต่ออาการนี้อย่างไรเมื่อเราก็มากำหนดรู้ไงว่าอ๋ออาการทั้งสองนี้เป็นเวทนาะเห็นหเวทนาคือสิ่งที่จะต้องเกิดปรากฏขึ้นในขันขันเนียคือตายกับจิตขันคือกายกับจิต คือรูปประคันกับนามประคันคือกายกับจิตเมื่อเวทนาจะต้องเกิดปรากฏผ่านกายกับจิตเวทนาไม่ปรากฏผ่านตัวอื่นเคยเห็นต้นไม้มีเวทนาไหมเคยเห็นต้นไม้มันมันมันมีสุขมีทุกข์ไหมไม่มีแต่ตัวคนนี่แหละแสดงอาการของความเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตัวคนคือตัวขันเนี่ยเป็นที่แสดงออกของเวทนา เป็นที่แสดงอาการออกมาจะเป็นสุขเวทนาก็ตามจะเป็นทุกขเวทนาก็ตามเราเนี่ยเรียกว่าขันเย้มขันเาเรียกว่ากองหรือหมวดหรือมูมูกองของเวทนากองของกองของสัญญาสังขารวิญญาณพวกเนี้ยเป็นนามสีเพราะฉะนั้นเวทนานั้นคือส่วน ที่เราไม่ต้องไปแก้ไขมันเ น, เนี่ยเมื่อปรากฏอยู่กับเราทีนี้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นปรากฏในกายในจิตสอประการเป็นความจริงที่ขันเนี่ยจะต้องปรากฏในกายในจิตแล้วจะแสดงภาวะเห็นความทุกข์ในกายในจิตทุกขสัจจะจึงกำหนดรู้ไปห ร, หรือว่าเป็นตัวแสดงออกของขัน เพราะขันได้ชื่อว่าเป็นทุกข์นะทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นทุกข์เป็นสัจจะในชั้นของความทุกข์ทุกข์ในความหมายตัวนี้ยังยังไม่ใช่ตัวทุกข์ที่เป็นความทุกข์แบบทุกขารักษณะอะไรพวกนี้ยังไม่ใช่นะคือภาษามันคล้ายคลึงกันทุกขเวทนาทุกขะสัจจะกับทุกขารักษณะ ภาษามั น, ม, นมันใช้ตัวเดียวกันมาจาการากฐานเดียวกันแต่จะมาจาการากฐานเดียวกันยังไงก็ตามแต่อาการแต่ละอาการเนี่ยมันจะแสดงแตกต่างกันทุกขเวทนาเป็นตัวแสดงอาการทุกขสัจจะจะเป็นตัวแสดงผลของอาการที่เกิดขึ้นแล้วเราจะต้องไปทุกขับมันจะไม่หลอกความไม่สบายกายไม่สบายใจเรียกชื่อว่าเป็นทุกจะไม่หล่ะแล้วทุกขเวทนาหรือสุ ข, ขเวทนา สุขเวทนาแล้วสุขเวทนาเป็นทุกข์ได้ยังไงท่านที่บอกว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจได้ชื่อว่าเป็นทุกข์แล้วสุขเวทนาเกิดขึ้นกายไม่เป็นสุขหร้อจิตไม่เป็นสุขหร้อเป็นสิอ้าวเป็นแล้วเขาบอกว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจได้ชื่อว่าเป็นทุกข์ขณะที่เป็นสุขก็ไม่ทุกข์กระสกกายกายเป็นสุขใจเป็นสุขนี้ก็ไม่ทุกข์ะเสะเข้าใจยากไห เขา<ไ>อบอกว่ากลายเป็นสุขใจเป็นสุข ก, ก็ขัดแย้งกับคําว่าทุกข์สิเพราะความสุขมันยังเกิดขึ้นได้อยู่เพราะความจริงกําหนดไว้แล้วว่ากายกับจิตเป็นทุกข์ขัดจัตเพราะความสุขมันยังมีอยู่แต่ว่าสัจจะสัจจะของคำ ว, ว่าทุกข์ัดจัตเนี่ยมันจะขัดแย้งกับความสุขที่เกิดขึ้นในกายในจิตเพราะสัจจะในชั้นความทุกข์เนี่ยบอกว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจเรียชื่อว่าเป็นทุกข์ ทำไมพรจ้เอาแต่ความไม่สบายกายมาสบายใจม า, ส า, มาสแสดงทำไมไม่เอาความสบายกายสบายใจมาสแสดงบ้างว่าเป็นสุขนะใช่คำนีได้ไห้ฮะใช่ยังไงอ่อเะเฮ้ในคราวที่เรารู้สึกสุขอะเพราะตอนนั้นเรามีความทุกน้อย <laughs> ไ, อไอ้ทุกน้อยเขาเรียกว่าสุขใช่ไหม <laughs> แต่สุดท้ายแล้วคือทุกใช่ไหม <laughs> คือทุกใช่ละ งัสุสาาแต่แต่ในคําว่าทุกก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจถามว่าถามว่าระหว่างสุขเวทนากับทุกขเวทนาเนี่ยสองประการที่มันปรากฏขึ้นมาในกายในจิตเนี่ยสุขขเวทนาปรากฏขึ้นมาโดยการสร้างขึ้นแล ะ, ะแต่งหาใช่ไหม มีอยู่ไหมไม่ใช่จู่ๆแล้วเรามีความสุขขึ้นมาเฉยๆเนะี่ยมั น, มนไม่อยู่เฉยๆเนี่ยก็มีความสุขอย่างเงี้ยมีไหม ม, ม, มันต้องมีเรื่องมีเหตุมีปัจจัยมีอะไรต่างๆามากมายที่มาปรงแต่งแลวก่อให้เกิดเป็นภาวาอห่งความสุขถามว่าแล้วความทุกข์ล่ะเราได้สร้างมันขึ้นมาไหม เอาอย่างนี้ดีกว่าความหิวเนี่ยความหิวเนี่ยเราได้สร้างมันขึ้นมาไหมแต่แต่สิ่งที่จะจะเอาไประงับความหิวเราต้องทํามันไหมทําอาหารการกินมาให้ร่างกายกินแต่ความหิวเราได้สร้างมันไหมเห็นไหมการที่เราได้กินอาหารลงไปเพื่อระงับความหิวเนี่ยแล้วเกิดเป็นภาวะดับความหิวไปได้หรือความทุกข์เหล่านั้นดับไปเนี่ยอันเนี้ได้ชื่อว่าเป็นความสุขใช่ไหม เป็นเป็นความสบายขึ้นมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่พงค์ทรงตรัดไว้ว่าความไม่สบายกายความไม่สบายใจได้ชื่อว่าเป็นทุกข์คือตัดในด้านของสัตว์จกคือเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วเช่นความหิวความม่วงความหนาวความร้อนสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องสร้างขึ้นแต่การที่เราต้องเข้าไประงับความหิวระงับความหนาวระงับความร้อนระงับความม่วงเราต้องทํามันขึ้นถูกต้องไหมสิ่งที่เราสร้างขึ้นเนี่ย เป็นสิ่งที่จริงไหมไม่จริ ง, ม, รง <laughs> มันจึงไม่ใช่สัจจ์ไงความสบายกายสบายใจจึงไม่ใช่สัจจ์เ <laughs> พราะเราสร้างมันขึ้นมา <laughs> แล้วเราก็ตามสร้างอยู่เงี้ยให้กายมีสุขให้ใจมีสุขอยู่เงี้ยให้ให้สิ่งใดๆก็ตามที่ตรงตามความพึงพอใจของเราเนี่ย <laughs> ให้เป็นไปตามที่เราต้องการไอ้ความสุขเราเนี่ยเราต้องการเอามาหล่อเลี้ยงกายหล่อเลี้ยงกิตจนเกิดเป็นแรงแห่งตัญหา หาไม่ได้สิ่งเหล่านี้มาความอยากมันจะมีแรงบีบคั้นให้เราไปสแสวงหาไหเราไม่สามารถนิ่งอยู่ทีเฉยได้เลยเวลาหิวขึ้นมานี่หิวก็หิวไป <c oughs> เป็นยังไงถ้าเด็กหิวเนี่ยจะได้เจริญเติบโตมาถึงทุกวันนี้ไหมถ้าไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินนมไม่เจริญ เ, เติบโตเห็นไหมหรอมันมีทุกข์มา <c oughs> ตั้งแต่วันเกิดหรือ ก, ก่อนทีจะเกิดนู่นแหละเพราะ ต้องอาศัยอาหารทางสายสะดือข อ, ของมันดาหล่อเลี้ยงจึงจะมีกายเติบโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีอาหารเข้าไปนี่ไม่มีทางเจริญเติบโตมาได้ความทุกข์วงทรงตัดสัจจ์นี้ในด้านของความจริงของกายของจิตแม้แต่ทุกทางใจก็กเหมือนกันทุกทางใจนี้ก็เป็นทุกขสัจจ์ความไม่สบายใจ พรความสุขทางใจเราก็พยายามสร้างสิ่งที่น่าพึงพอใจน่ารักใคร่น่าปารธนาเราถึงจะมีสุขแต่ถ้าเราไม่สร้างมันขึ้นมาเราก็จะมีทุกข์ตามอาการแห่งกายกายทุกข์ใจทุกข์เป็นไปไม่ได้ที่กายกับใจจะไม่เกี่ยวโยงกันความทุกข์ใดๆก็ตามเกิดขึ้นทางกายก็ต้องกระเทือนถึงใจด้วยความทุกข์ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นทางใจก็กระเทือนถึงกายด้วยเวลาจิตใจของเราเกิดความเศร้าโศกพิริพิไลลำพันในอารมณ์บางอารมณ์ กินไม่ได้ใช่ไหมล่ะนอนไม่หลับใช่ไหมล่ะกระเทือนกายใช่ไหมหรือเกิดภาวะใดๆก็ตามเจ็บป่วยทางกายกระเทือนถึงใจไหมใจสุดชื่นเบิกเบินเบิกบานไม่เวลาเจ็บป่วย mm hmm. มันก็เป็นไปอันเดียวกันใช่ไหมล่ะระบบทุกอย่างรูปกับน้ำนเกี่ยวโยงกันเพราะมันถูกทุกเขาเรียกว่าอุปทานขันทําให้ก่อเกิดการรวมตัวกันมาตั้งรูปกับน้ำตั้งแต่อยู่ในท้องของมารดาเนี่ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาแล้วเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ก็ต้องกระทบกระเทือนตึงกันอยู่ตลอดเวลาหากเรามองเห็นว่าตื่นขึ้นมาปับ๊บตัวทุกข์นี่เริ่มขยับแล้วจริงๆมันก็เกิดอยู่ตลอดเวลานลั่นแหละแต่คำว่าเกิดไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีอาการเป็นนะแต่อาการที่มันจะต้องไปทำสิ่งต่างๆสิ่งที่เราจะต้องไปสร้างสุขเนี่ยตื่นขึ้นมาเรากงไปสร้างสิ่งต่างๆให้เป็นความสุขในชีวิต หาเงินได้ทรัพย์มาเป็นความสุขถูกต้องไหม mm hmm. เราต้องสร้างสิ่งเหล่าเนี้เพื่อให้ได้มีอาหารเลี้ยงดูร่างกายอย่างที่อาจามาบอกที่เราไปเลี้ยงดูเนี่ยเราไม่ได้เลี้ยงดูตัวเรานะเราเลี้ยงดูเส้นผมขนเล็บฟันเนื้อเอ็นกระดูกเกี่ยในกระดูกม้าหอยไตตับกระดูกไตปอดสิ่งเหล่าเนี้อยู่ในตัวเราจนถึงมานตายแล้วการที่เราจะต้องไปสแสวงหาสิ่งต่างๆมาเพื่อเพื่อเลี้ยงดูร่างกายให้มันเป็นไปเพื่อความสุขเนในขณะที่เราแสวงหา เป็นอาการของความสุขลึืความทุกข์ดิ้นรนกันอยู่เนี่ยใช่ไหมเริ่มมันแบนทานเริ่มทุกข์แล้วแต่ทำไมเราได้มาเป็นความสุขอะเราไปยึดเราไปยึดเอาผลใช่ไหมหรเราไปยึดเอาผลไอ้ผลนี่แหละทําให้เราประมาทเข้าใจว่าเราจะมีสุขอยู่ได้ใช่ไหมล่ะเขาเรียกากลบความทุกข์ไปสักระยะหนึ่ง เหมือนกับเอาขี้เท่าไปผูก่านเพลิงก็เลยไม่ค่อยร้อนมากไงเป็นอย่างนั้นอ่ะนี่คือความเป็นจริงของชีวิตนัะนเี่พูดต้องเข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนในด้านสัจจคือความเป็นจริงเมื่อความเป็นจริงของชีวิตเป็นอย่างนี้เป็นเป็นเป็นพุกอย่างนี้เราจะคาดหวังให้ชีวิตมีความสุขไปตลอดทั้งชีวิตได้ไหมไม่ได้ เพราะนั้นวิธีการของผู้เจ้าพระองค์ทรงสอนตรงประเด็นมากที่สุดก็คือรู้ความทุกข์โดยความโดยสิ่งที่เป็นความทุกข์โดยตัวข้อมันเองคือรู้ตรงๆกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยตัวข้อมันคือกลายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์แน่นอนเวลาความทุกข์เกิดขึ้นในขณะที่เรากำหนดรู้อยู่และความทุกข์เกิดขึ้นมาขณะแห่งการใช้ชีวิตของเราในนั้นเราก็จะไม่หวั่นที่ตกยึดถืออาการแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเป็นปัญหาสําหรับชีวิต ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะถูกกาหนดรู้ด้วยสติกําหนดรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในขณะที่ทําการงานอยู่เกิดความขัดแย้งกับลูกน้องเกิดความขัดแย้งกับลูกค้าเกิดความขัดแย้งกับคนรอบข้างใช่ไหมใครทํางานแล้วเกิดความขัดแย้งแล้วมีความสูงบ้างในขณะนั้นแต่เมื่อเราสามารถกําหนดรู้ความทุกข์อย่างนี้อยู่เรื่อยๆเกิดความขัดแย้งขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นแล้วกรับรอ๋อมันตรงทุกข์อยู่แล้ว ขัดแย้งของคนต้องทุกข์อยู่แล้วขัดแย้งคนนี้ต้องทุกข์อยู่แล้ ว, นนลวเราจะไม่สร้างทุกข์เ ja พิ่มจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นเราจะมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับชีวิตของเราสิ่งที่เขามาสัมผัสเกี่ยวกับ บ, บ, บ, บ, บคุคคลอ๋อคนนี้เขาก็มีความทุกข์แบบนี้เรามีความทุกข์แบบนี้เขาก็ต้องมีความทุกข์แบบนี้คนนี้ก็ต้องมีความทุกข์แบบนี้คนนั้นก็ต้องมีความทุกข์แบบนั้นมีความทุกข์เป็นอันเดียวกันปัญหาเกิดจากคือการไม่เข้าใจปัญหาคือการที่เเราาาไม่ข้ใจตััวปญห เมื่อเราไม่เข้าใจตัวปัญหาจึงสร้างเหตุให้เกิดปัญหาเพิ่มจากปัญหาเดิมที่เกิดเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาคือเข้าไปรู้จักปัญหาที่ตัวปัญหาเพราะปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนเขาเป็นเขาไปรู้รับรู้ปัญหานั้นอาตมาจะบอกอยู่เสมอว่าปัญหาไม่จะเกิดจากตัวบุคคลแต่ตัวบุคคลไม่ใช่ปัญหาจึงไม่จึงไม่ควรโทษคนการโทษคน ไม่ใช่การแก้ปัญหาการแก้ปัญหาคือรู้จักตัวปัญหาที่เป็นตัวปัญหานั้นที่แท้จริงแล้วให้เกิดการรับทราบตัวปัญหาและเหตุให้เกิดปัญหาในความเป็นอยู่ร่วมกันเหมือนกันเมื่อทุกคนรับรู้รับทราบปัญหานั้นเหมือนกันเข้าใจตรงกันความเข้าใจตรงกันนั่นนะมันจะเกิดการแก้เองแต่ละคนจะแก้ตัวเองเอง มันมันจะมีการแก้เพื่อให้เข้าใจและคลายปัญหานั้นออกเหมือนกันกับเราที่จะแก้จิตเราแก้กิเลสเรารู้ตัวปัญหาคือรู้ทุกู้รู้เหตุคือการสร้างทุกข์เพิ่มจากความทุกข์เดิมที่เกิดเราจะไม่สร้างด้วยความอยากเราจะไม่ใช้ความอยากเข้าไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> ะระดับของการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องรู้ภายในจิตตนเองตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน หลับแล้วเราไม่ได้ทําอะไรแล้วกิจในกิจแต่หากเราทําอยู่เป็นประจําทุกวี่ทุกวันรู้หลักของอริยสัจในชีวิตประจําวันจนถึงเข้านอนเนี่ยในขณะที่หลับจิตที่มันเคยถูกทํามาจนเป็นอัตโนมัติเนี่ยมันจะกําหนดรู้อริยสัจสีในขณะที่หลับได้สังเกตดีๆถ้าใครถ้าใครทําอยู่เป็นประจํานะแม้ขณะหลับก็จะรับทราบขณะจิตเนี่ยมันสามารถ กำหนดรู้อริยสัจสีในจิตได้แล้วมันก็จะจิตดวงไหนก็ตามที่รู้จักอริย ส, สัจสีมันก็จะเคลียร์ยความเห็นผิดในชั้นลึกลึกลึกลึกลึก ล, ก ล, กลงไปความเห็นผิดมันมีหลายชั้นนะชั้นเปลือกนอกชั้นเปลือกในชั้นเนื้อในก็อีกชั้นกับอีชั้นลึกลงไปอีกเนี่ยจนถึงแก่นของความไม่รู้ที่แท้จริงแก่นของ ความเห็นผิดที่แท้จริงก็คืออวิชชาการกําหนดรูอริยสัจสีเป็นทางอริยมรรคที่จะเข้าไปทําลายอาวิชชาได้เพราะฉะนั้นธรรมะจะสอนอะไรก็ตามจะต้องเข้าใจหลักของอริย ส, สัจีนี้ให้ถูกต้องและอริยสัจสี่ไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกเหนือจาก กายจากจิตของเราอยู่ในกายในจิตของเรานี้การรู้ธรรมะจึงไม่ใช่ไปรู้อย่างอื่นไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นไม่ใช่ไปทําความเข้าใจในที่อื่นแต่เป็นการทําความเข้าใจในตัวกายตัวจิตของเรานี้ให้ตรงให้ถูกเราเราจะเอาอะไรมาทําความเข้าใจก็เอาหลักคําสอนที่พระเจ้าทรงสอนไปมาทําความเข้าใจในตัวเราเห็นไหมหลักคําสอนที่พระองค์ทรงสอนเนี่ยมันเป็นหลักตรงๆหลักแห่งความจริงสิ่งที่เรารับรู้ต่างๆนานามาตั้งแต่วันเกิดจนถึงทุกวันเนี่ย มันยังไม่ใช่ความจริงหากไม่มาเรียนธรรมะธรรมะจะค่อยๆเปิดเผยความจริงในหลักธรรมชาติให้เราได้ทราบทีละประเด็นประเด็นประเด็นประเด็นประเด็นไปตามลําดับแห่งความรู้ความเข้าใจที่เราสามารถนำธรรมะมาใช้กับสิ่งที่เราเกี่ยวข้องอยู่หากเราใช้อริยสัจสเป็นเครื่องดําเนินชีวิตเราจะเกิดปัญญาที่ผ่านมาเราไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยปัญญาเราใช้ชีวิตด้วย ปัญหาคือใช้ความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวข้องในสิ่งต่างๆเมื่อเราใช้ความรู้สึกอะไรก็ตามที่ขัดกับความรู้สึกก็ก่อทุกข์ให้กับเราได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเราใช้ปัญญาอะไรก็ตามที่ขัดกับความรู้สึกเราปัญญาจะเข้าไปจัดการสิ่งที่เป็นปัญหาภายในความรู้สึกของเราเพราะเรารู้เรายึดเพราะเรารู้ไม่เท่าทันเพราะเราไม่รับทราบสิ่งที่มากระทบเราตามความเป็นจริงใช้แต่ความอยากใช้แต่ความอารมณ์ใช้แต่ความรู้สึกใช้แต่แรงแห่งการยึด เราจึงก่อทุกข์เพิ่มอยู่บ่อยๆให้กับตัวเองคนบางคนไปรับภาระความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นปัญหาในชีวิตตนเองก็มากมายสิ่งเหล่านี้มันเป็นการเพิ่มทุกข์โดยตัวติเองไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เราไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นนะการช่วยเหลือเนะี่ยการที่พระเจ้าใช้คําว่าอนุเคราะห์หรือสงเคราะห์อันนั้นอ่ะ เป็นหลักธรรมที่ดีเป็นหลักของกุศลธรรมเป็นหลักของอารีทางมรรคที่ควรเจริญขึ้นอยู่แล้วการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่อย่าเอาปัญหาของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตนเองช่วยเหลือคนอื่นได้แต่อย่าเอามาเป็นปัญหาของตัวเองอันเนี้ยเพราะใจของเราจะต้องรักษาให้มันเกิดความสงบให้มากที่สุดเพอะใจถ้าไม่มีความสงบหรือมีความทุกข์อยู่แล้วเราจะไปช่วยเหลือใครได้เพราะตัวเราก็มีความทุกข์คนอื่นเขาก็มีความทุกข์ ทกุกับทุกมันช่วยเหลือกันไม่ได้คนจมน้ําคนจมน้ําจะช่วยเหลือกันไม่ได้คนอยู่บนฝั่งสามารถคนช่วยเหลือนคนจมน้ําได้รักษาใจตัวเองให้สงบเราก็จะสามารถสงเคราะห์อนุเคราะห์รักษาคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของเราหรือความเป็นอยู่ของเราจะต้องมีมีสติมีปัญญาภายในตัวเองและสติปัญญาจะเกิดขึ้นกับเราได้นั้นเราก็ต้องอาศัยหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้า หลักคำคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะเริ่มจากการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิและภาวนาก็ตามหลักการนี้มันไม่ได้อยู่ในรูปแบบตามลาดับที่ถูกวางไว้ว่าให้ทานรักษาศีลสมาธิแล ะ, จะเจริญภาวนาแต่ทั้ง3หลักการนี้ในวันหนึ่งเราสามารถให้ทานและรักษาศีลและทําสมาธิแล ะ, จะเจริญภาวนาในวันหนึ่งนั้น ได้ครบทั้งหมดไม่ใช่ไปรอว่ารอให้ทานบา ร, รมีเต็มก่อนรอให้ศีลบา ร, รมีเต็มก่อนรอให้อะไรสมาธิบา ร, รมีเต็มก่อนหรือค่อยเข้าไปถึงภาวนาจเจริญปัญญาขึ้นอย่างนั้นไม่ใช่นั่นเป็นรเรื่องความเข้าใจผิดหลักของการให้มันเป็นเครื่องลุ่นจิตทานลุ่นจิตให้สูงขึ้นเป็นผู้สลักสิ่งของของตนเพื่อให้เราได้ทราบ สิ่งของที่เราได้มาว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรยึดไว้เป็นของตนควรแบ่งปันออกไปการสละออกอย่างเนี้ยเป็นการสละการยึดถือห่วงแหนการยึดถือห่วงแหนนํามาซึ่งอกุสลธรรมมากมายเพราะอะไรเพราะการยึดถือหวงแหนในสิ่งที่ตัวเองได้มาจะเกิดการปกป้องเกิดการห่วงแหนห่วงกันและจะเกิดการกระทํอาอกุศลต่างๆนานาเพื่อไม่ให้สิ่งที่ตัวเองห่วงแหนเนี่ย สูญเสียไปมันจะมีความชั่วร้ายตามมาพระองค์จะบอกฝึกให้สละกออกการสละทานออกเป็นการสลักความยึดถือหวัวงแหนเบื้องต้นชั้นหยาบ ๆ, ๆในด้านของวัตถุเพื่อให้เรารู้จักการสละอยู่ภายในจิตเรีวยกว่าจาระทานเป็นการสลักวัตถุภายนอกจาระเป็นการสละภายในสละภายในคือยังไงสละทานออกไปแล้วสละการยึดถือในภายในออกไปด้วยจิตที่ยึดถืออยู่ ถูกสละออกไปด้วยไม่ใช่ว่าสละทานออกไปเราจะเอาบุญอันนี้ยังไม่ใช่จ่าฮะเอาคือยังยังหมายเอาอยู่ยังอยากได้อะไรบางอย่างกลับคืนมาอยู่อันนั้นไม่ใช่จ่าฮะให้ทานต้องสละแม้กระทั่งผลของบุญที่เกิดไม่ใช่ว่าสละตัวนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่เอานะั้นคือเอาก็ตามไม่เอาก็ตามมันเป็นของได้อยู่แล้วอัตโนมัติในการสละออกไปแต่การสร้างแรงของการยึดและปรารถนาอยู่ว่าให้ทานนี้เพื่อเอาบุญ ใช่ไหมล่ะแล้วยึดถือบุญไหมแม้จะสละของทานออกไปก็ตามแต่มันไม่ได้ถึงชั้นชั้นของจา่าค่ะการสละ บ, บุญออกออกไปอย่างเงี้ยหมายถึงว่าไม่ปรารถนาในผลที่มันจะเกิดพราเราทราบอยู่แล้วกินข้าวเข้าไปไม่ปรารถนาให้มันอิ่มใช่ไหมไม่ปรารถนาอยู่แล้วแต่มันอิ่มอยู่แล้วใช่ไหม ถูกต้องไหมเมื่อเราเข้าใจอยู่แล้วว่ากินข้าวมันก็ต้องอิ่มอยู่แล้วจะไปปราธนามันทําไมเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าการสละกของทานนี้ออกไปจะไปปาธนาเอาบุญทําไมคนที่ไปปาถนาเอาบุญหรือไปยึดตัวบุญไว้กับตัวเองเน่ะอั น, นั้นต่างหาคือคนที่ทําบุญด้วยมิจฉาทิฏฐิให้ทานด้วยมิจฉาทิฏฐิไม่เข้าใจเป็นผู้มีมืออันสลัออกปล่อยออกแบววออกนะเป็นผู้มี ม, มือแหววไม่กําไม่ยึดไม่ถือ นั่นหมายถึงว่าเป็นลักษณะของจิตที่มันให้ทานด้วยจาคาไปด้วยสลักไปด้วยสละออกเพราะอะไรเพราะการยึดถือแม้กระทั่งบุญกุศลไว้ในจิตพงษ์ยังบอกว่าเป็นมูลเหตุแห่งความทุกข์เจริญใช่ไหมบางคนบอกกูก็ทำบุญมาตั้งเยอะไม่เห็นบุญมาช่วยภูอะไรประเทนี้ย <laughs> อันนี้ไปยืดอยู่นั่นแลหลมว่าอะไรบุญจะมาช่วยว่าอะไรบุญจะมาช่วย มันก็สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองลบวนกิจใจตัวเองและการสร้างความคิดความอยากมาลบวนกิจใจตัวเองก็บั่นทอนความสุขในชีวิตของตัวเองไปโดยที่ไม่เกิดประโยชน์ทำให้ชีวิตตัวเองไม่มีความสุขเศร้ามองอเฉยเฉยเราต้องให้ทานสลาออกไปทานแล้วในขณะที่เราตั้งเจตนาที่จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดนกาไม่โกหกไม่ดื่มสุราในเวลานั้นมันก็เป็นศีล การกระทาทางกายวาจาและใจของเราไม่ไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนและไม่สร้างความกังวลใจและไม่สร้างความทุปร้อนใจในใจตัวเองก็เป็นสมาธิการที่เรารู้จักมูลเหตุของการบําเพ็ญภาวานาในจิตว่าเมื่อเราให้ทานสละความสละบุญหรือสละผลแห่งการให้ทานนั้นออกไปและ เจตานานงวนเว้นที่จะไม่กระทําสิ่งต่างๆด้วยกายวาจาใจเป็นไปเพื่อความดลดร้อนและจะรักษาใจตัวเองให้สงบอยู่ไม่ให้จิตเกิดความขุ่นมัวไม่รับปัญหาของอื่นมาเป็นเกอะเรื่องรบกวนจิตใจตัวเองรู้จักปัญหารู้จักการแก้เหตุให้เกิดปัญหารู้จักการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาและดับปัญหาและรู้จักทางที่จะเข้าไปา ก, การดับปัญหาได้อันนี้คือการใช้ชีวิตอยู่ในวงจรของมั่นนี่แหละคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หากเราใช้ชีวิตอย่างนี้ได้ในแต่ละวัน มันจะเกิดปัญญาขึ้นมามากมายในชีวิตของเราชีวิตเราจะเป็นอิสระจากอารมณ์จะเป็นอ huh <staircase recommended S 1> ิสระจากการยึดถือจะเป็นอิสระจากความอยากที่มันครอบงาจิตใจเราเราจะเป็นอิสระจากสิ่งต่างๆภายนอกที่คอยจะมาบีบชีวิตเราให้เป็นทุกข์สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ดมกลิ่นสิ่งที่น้ำรอดสิ่งที่กระทบกับใจจะไม่สามารถสร้างความทุกข์ให้กับชีวิตเราได้อีกนั่นคือความเป็นอิสระอย่ังยิ่งอย่างแท้จริง เป็นอิสระจากกิเลสเป็นอิสระจากความไม่รู้ที่มันคอยควบคุมจิตใจและหมักดองสันาลเราอยู่ตรงเนี้ยจิตใจเราจะก้าวเข้าไปถึงคุณธรรมในศาสนานี้ไม่ว่าจะเป็นโสตบันสากาธาคารมีอนาคารมีพระอรหรันต์บางคนบอกว่าสมัยนี้อย่ามาพูดถึงมรคลมันเป็นไปไม่ได้คนที่พูดถึงจะเป็นการอวดอ้างกัน คำพุทธการพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ใช่ไหมคนนั้นโสดาบันคนนี้สกัดธารคามีหมู่บ้านนี้บรรุโสดาบันห้าร้อยใช่ไหมหมู่บ้านนี้บรรุสกั า, าคามีอะไรสามร้อยอย่างเงี้ยคนนี้อนาคหมู่บ้านนี้บรรุอนาคามีสองรยหรื อ, 100, อนึ่งร้อยี้หมู่บ้า น, นบรรุอรหันต์มีพี่สูผู้บรรุอรหันต์อยู่ก็พกงก็พูดอยู่ใช่่ะนําพงพงทรงสร้าง แต่เมื่อพวกเราไม่ทราบเราต้องคุยกันอย่างงี้มันสามารถเข้าถึงได้ทำไมันจะเข้าถึงไม่ได้เขาบอกว่าผุ้ไเจ้าเท่านั้นถึงจะสามารถพยากรณกันได้มันไม่ใช่ผู้เข้าถึงคุณธรรมชั้นใดก็ตามสามารถพยากรตนได้เลยผู้จเจ้าวไหวอย่างนี้นะแล้วคนนั้นจะต้องรู้ในตนด้วยไม่ใช่ไม่ใช่พยากรณ์ออกมาด้วยความหลงงม ง, งายคือเป็นความรู้ชนิดพิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นในตนเลย แล้วความรู้นั้นมันเกิดขึ้นอัตนานบังบายากรนังอัตโนโมั้ยพยากรตนด้วยตนประมาณนี้นะภาษาถ้ า, ถาจะไม่ผิดแต่ส่วนมากจะจาผิดคาดเพื่อนมาเนั้นลอัตมามันต้องดูดแบบดูตำาราพยากรตนด้วยตนเริ่มตั้งแต่โสดาบันนะสามารถพยากรตนได้จนถึงอรหันต์ก็สามารถพยากรตนได้ แต่ในการพยากรนั้นไม่มีทางที่จะพยากรณ์เป็นไปเพื่อหวังลาบสักการะจากใครถ้าผู้ที่เข้าถึงคุณธรรมจริงนะไม่ได้พยากร์เพื่อหวังลาบสักการะจากใครและไม่ใช่เพื่ออวดใครและไม่ได้สแสดงอุตริมนุษธรรมกับใครแต่เป็นการพูดถึงตามภาวะแห่งการเข้าถึงตามความเป็นจริงที่เข้าถึงรู้และเห็นตามความเป็นจริงในหลักสัจจานั้นจึงสามารถเข้าถึงได้ตรงเนี้ย แต่การที่ไม่เข้าถึงแล้วไปพูดนั่นคือการก็จะมีสองจําพวกคนที่พยากรณ์ตนเองอะไรไม่ผิดพยากรณ์ตนเองแล้วไม่ผิดมีอยู่สองจำพวก1พยากรณ์ตนเองแล้วไม่ผิดนะหนคือคนที่เข้าถึงจริงพยากรยังไงก็ไม่ผิดปุยยาว่าอย่างนี้นะจำพ้อที่2สําคัญผิดว่าตนเองบรรลุ อันนี้ก็ไม่ผิดนะตามหลักคํามเราในนี้ไม่ผิดคือสําคัญตัว น, นั้นสําคัญตนเองผิดแต่แต่เนินไม่เข้าถึงสอไม่สําคัญตัวเองกิดแต่ต้องการยกตัวเองขึ้นมาเป็นผู้รู้ธรรมอันนั้นแหละแล้วพยากรณตัวเองอันนั้นผิดผิดเต็มๆคนที่เข้าถึงแล้วพยากรตนเองคนคนนั้นจกพยากรณ์อยู่ร้อยปีก็ไม่ผิดคนที่สําคัญตัวเองผิด แล้วพยากรตัวเองสำคัญตัวเองว่าบรรลุแล้วพยากรตัวเองขึ้นมาคนนั้นเมื่อสภาวะบางอย่างเสื่อมลงเขาก็จะ ร, รู้ตัวเองเอ้ามันไม่ใช่นี่หว่าแล้วก็จะเปลี่ยนใหม่อย่างเงี้ยใช่ไหละ่ะจะไม่สามารถพยากรตัวเองไม่ได้ตลอดการเพราะมันมีภาวะแห่งความเสื่อมลงอยู่ความสำคัญนั้นก็หายไปจากนั้นก็จะมามาแก้ใหม่ สิ่งที่สอนไปตอนนั้นผิดสิ่งที่พูดไปตอนนั้นผิดสิ่งที่พยากรณ์เขานั้นผิดไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงอันนั้นคือเกิดจากการสําคัญตนเองว่าเป็นผู้บรรลุนี้แต่จะชี้ความผิดเขาเขาไม่ผิดนะั้นการสําคัญผู้ย่กว่านอกจากสําคัญว่าตนเองเป็นผู้บรรลุแล้วพูดออกไปพ่อคนที่สําคัญตัวเองว่าบรรลุนั้นะเขาไม่ได้อวดนะ แต่เขาเข้าใจว่าเขาบรรลุเขาก็เลยพูดไปตามความเข้าใจว่าเขาบรรลุไม่ผิดในหลักธรรมวันใดเขาไม่ปรับโทษอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับเออใช่แต่ถ้าไม่สัมพันธ์ตนและไม่เข้าถึงจริงแล้วไปพูดอันเนี้ยผิดแน่นอนเต็มๆถ้าเป็นภิกษุก็ถูกปรับโทษถ้าเป็นคฆราวาสก็เป็นการ ยกตนเองปวดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องการพูดถึงมรดผลให้พูดไปเถอะพูดได้ไม่ต้องกลัวใครเข้าจะว่าเดี๋ยวตอบคาถาม เข้ามาในเพโยมไทยบุญอาพ น, นันน้ำมศการ พ, พระอาจารย์อยากทราบว่าสถานที่ที่ประกอบสังฆกรรมที่ถูกต้องเป็นอย่างไรครับสังฆกรรมจะมีอยู่กี่ประเภทพระเรามีข้อมูลไหม 1. อัปรโรดั ก, กรรมกรรมในการอัปรโรดสังฆทานคือแบ่งของสงฆ์ 2. อ่า กรรมในชั้นของการเขเรียกว่าอะไรปฏิโมกนะอุบสดกรรมอุบสดสัทธะโบสถกรรมใช่ไหมล่ะกรรมในการสวดปฏิโมกขโบสดขโบสดขโบสดกรรมรอันที่3ามยติจะตุทักกรรมอันนี้คือการกรรมในการอุปสมบทอันที่สี่อภานกรมอภานกรรมกรรมในการเรียกเข้าหมู่ อันที่5ปริวาสกรรมกรรมของการกักบริเวณผู้ทําผิดในอาบัตในอาบัตที่สูงจะต้องลงโทษหรือว่าปริวาสกรรมไม่ใช่ปริวาสกรรมแบบที่เขาไปจัดงานปริวาสกรรมงานอยู่กรรมอะไร อ, อันงานปริวาสกรรมหรืองานอยู่กรรมตามหลักพระวินัยแล้วมันไม่ใช่ไปจัดอย่างนั้นไม่ใช่ไปเรียกพิโยมเขาไปรวมกันอย่างนั้ น, น ป, ปริวาสกรรมคือกั ก, กบริเวณพระ และลดฐานะลงพิสูจจับพรรษาเยอะแค่ไหนก็ตามหากต้องโทษในหลักที่สงจะต้องลงโทษเนี่ยผิดในในระเบียบของสงฆ์เนี่ยนูน่นพรรษามากแค่ไหนก็ตามเขาจะยู่นั่งท้ายแถวนู่นท้ายแถวพระบวชใหม่คือเรียกว่าลดลดลดฐานะลงแต่เมื่อประพฤติวัดเสร็จแล้วหรือได้รับโทษกับบริเวณเสร็จสิ้นแล้วค่อยกลับมาอยู่ในฐานะเดิมได้ เ, เพื่อลถที่ถีลดมานะั้นบริวารสกรรมที่เขาจัดอยู่ทั่ ว, วไปนะั้นะเป็นบริวารสกรรมที่ผิดกรรมผิดธรรมไม่ถูกต้องตามธรรมนะใครที่เคยไปร่วมบริวารสกรรมอย่างนั้นขอให้เข้าใจว่าไปร่วมงานผิดคืองานที่เป็นความผิดจากหลักธรรมหลักมิในไม่ถูกต้อง ที่นี่สถานที่ที่ประกอบสังฆกรรมส่วนมากนะส่วนมากการประกอบสังฆกรรมจะทําในอุโบสถพระอุโบสถหรือที่เรียกว่าพัทสีมาพ พ, พเคยได้ยินไหมคำนี้พัทสีมาในเขตอุโบสถเขาจะมีใบสีมาฝังรอบเพื่อสแสดงเขตแดน ของพระอุโบสถว่าเคเดียนพระอุโบสถอยู่บริเวณไหนส่วนมากจะเป็นแปดทิศที่เขาฝังรูปมิมิตกันอนะ่ะใครเคยไปงานฝังรูปมิมิตจะจะเข้าใจเขาเรียกว่าอุโบสถพระอุโบสถ <c oughs> บทนั่นแหละสังฆกรรมที่ทําในอุโบสถก็จะมีจตุทกรรมยติจตุทกรรมอาวาจาคือการอุปสมบทเขาเรียกว่าให้ ให้อัไม่ใช่ให้ปริวาสกรรมให้ปริวาสกรรมกับภิกษุผู้ละเมิดโทษที่สงฆ์จะต้องลงโทษเขเรียกว่าให้ปริวาสกรรมก็ต้องทำในอุโบสถให้บานัตก็ต้องทำที่อุโบสถพระอุโบสถคือโบสถให้อัภานก็ต้องทำที่ตัวโบสถคือเขตแดนในโบสถแล้วก็อัภานใช่ไหมเรียกข้าบุก็ต้องทำในโบสถ ก็ อ, อะไรอีกกระถินที่เรียกว่าการการกรถินการกรินการกระถินนั่นก็กระถิะ่นนการส่วนการกระถิ น, นก็ต้องทาในโบสถ์อย่างเงี้ยในนี้นนคือที่ที่ประกอบสังฆกรรมสังฆกรรมนอกนี้ไม่ต้องทาในโบสถ์ปฏิโมกต้องทาในโบสถ์ไหแต่ที่เป็นอภัพทศีมา นอกโบสถ์ก็ได้อภัต t h ไม่มีสีมาภัต tha สีมาคือในโบสถ์นอกอภัต t h สีมาคือนอกอุโบสถปฏิบัติอะไรต้องกำหนดเขตแดนแน่ละกำหนดกำหนดพื้นที่ได้แต่แต่มันจะมีพื้นที่ที่เป็นภัต t h สีมาคือมีมีการกำหนดเขตแดนแบบเป็นสีมากับอภัต t h สีมาคือนอกเขตได้อยู่แต่แต่ตกําหนดพื้นที่ก็ได้เช่นที่ศาลาก็ได้ครับอย่างเงี้ย กับอัปปโรชกกรรมสังคกรรมประเภทนี้ที่เรารับของสังฆทานต่างๆเนี่ยทำนอกอุโบสถได้แต่สังคกรรมที่สําคัญสำคัญเนี่ยที่ที่พูดมาก่อนนั่นเนี่ยเอางี้มีสองอย่างที่สามารถทํานอกอุโบสถได้ก็คืออัปปโรชนะกกรรมแล้วก็อุโบสถกรรมการส่วนปฏิบโภทํานอกอุโบสถได้นอกนั้นทําในอุโบสถนี่คือความสังกัมของทางการทําสังคกรรม แล้วก็สถานที่จึงจะต้องมีเาเรียกว่าเป็นที่แยกแผนกไปต่างหากจะต้องไม่ร่วมกับสถานที่อันอื่นจึงมีการสร้างอุโบสถเพื่อแยกตัวอุโบสถออกจาก เ, าเขตแดงของของสิ่งที่จะทำให้กรรมนั้นเสียหายเพราะการทำสังฆกรรมในชั้นของการทำในในในโบสถ์เนี่ย จะต้องไม่ปะปลกันกับกรรมอย่างอื่นคือแยกปะพลกันไม่ได้ถ้าปะพลกรรมนั้นจะเสียเช่นสวดกรถินถ้าสวดกระถินเนี่ยเช่นพิษโยมเตะไปหมดเลยแล้วภาพไปสวดกรถินการกระถินที่ศาลาเนี่ยสวดกันขึ้นมาอันนั้นทถือว่าสวดทำสังฆกรรมปะพนกับชาวบ้านกรถินไม่เป็นกระถินผิดทุกวันนี้เป็นยังไงสวดกันอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหม ผิดตอนทำมันทำมาต้องแยกนะส่วนรวมรวมไม่ได้แยกแล้วก็เขาต้องมีเฉพาะพิกสูเท่านั้นอยู่ในนั้นโยมมีไม่ได้สามเหรก็มีไม่ได้สามเหรียก็ห้ามเข้าไปเป็นเรื่องของพระโดยตรงโยมห้ามยุ่งอย่างเงี้ยแต่บางคนว่าทุกวันนี้ยุ่งกันไปหมดแม้แต่แม้แต่บวชนะบวชยังเข้าไปรอกันอยู่ในบสถเลยนะเข้าใจไหมอ<ห>่ะ <laughs> ผิดหมดแนหะตอนที่บวชฮะ ที่ผ่านมาตามาก็พยายามไล่ยโยงออกไปนะแต่พระในอาว่านั้นเขามาได้เข้ามาได้ก็เลยกลายเป็นอะไรวะเนี่ยเราก็เรียนมาอีกตามตำรานะมันมันมันปนกันไม่ได้นะขนาดนนไม่ใช่โบวัดจะทำถูบโบวัตก็ทำผิดใช่บางวัดนี่พระสวดปาฏิโมกให้โยมเข้าไปนั่งฟังอยู่ด้วยอันนั้นก็ผิดสวดปฏิโมกมีห้ามโยมเข้าไปเกี่ยวข้องเน้นก็ยังไม่ได้เลยเป็นเรื่องของพระโดยตรง ต้องไล่โยมออกจากพื้นที่ที่สวนปฏิบกนั้นนี่คือความสำคัญพระอุโบสถที่สงจะต้องถามว่าสำคัญแค่ไหนพระเจ้าบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าทางราชการเนี่ยทางราชการเขาทางท ห, หารเขามีเวลาเขาจะประชุมกันลับๆเนี่ยเขาไปไปไปทำที่เปิดเผยไหมไมเออ่เขาก็ต้องมีที่ลับๆของเขาเซฟเขาอย่างเงี้ย <laughs> ใช่ไหมล่ะตํารวจอย่างเงี้ย าณะทางโลกลนั่นเองผู้จหญบอกแม้ทางทำทำเนียมแห่งสงฆ์ที่พึงประพฤติต่อกันที่ไม่ปรากฏต่อญาติโยมคือญาติโยมจะต้องไม่รับทราบเรื่องพวกนี้เช่นพระจะปรับโทษภิกษุอีกรูปหนึ่งจะมีการกล่าวโทษชี้แจงโทษโจทกันโทษกันโยมจะต้องไม่มายุ่งให้เป็นหน้าที่ของพระกับพระที่จะจัดการกันเองปรับโทษหรือรับโทษอะไรกันเนี้ยหรือพระจะแสดงโทษตัวเองออกมา โยมพุทธเจ้าบอกห้าห้ามโยมายอันนี้เป็นอริยะอะไรอริยวินยัยวินัยของพระ อ, อริยเจ้าเ็าเรียก ว, ว่าเป็นลักษณะของเป็นลักษณะของอะไรเขาเรียก ว, ว่าอะไรนะอาตมาก็ยังไม่เข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจนะมันมันใช้คำยังไม่ผูกผูกว่าคืออะไร ไม่ใช่ก็พระวีไนของภาคนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ไม่ตามภาษาของโลกอะเรื่องของคนในบ้านนั้นจะให้คนบ้านอื่นไปรู้ได้ไหมเรื่องเราต่างๆในปัญหาในครอบครัวเราเนี่ยเราเราจะให้คนอื่นมารู้เรื่องของเราไหมเขาเรียกว่าเรื่องพวกนี้เขาเรียกว่าอย่างไงไฟในไฟในไฟในไม่ให้ออกไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะ คือใครอยากจะรู้เรื่องเรื่องของพระทําอะไรในอุโบสถเนี่ยคนต้องบวชพระก่อนถึงจะรู้เขาจยังมันจะเป็นทํารองเนี่ยเขาเรียกอะไรนะภาษาหลวงนอะไม่ใช่อันพระวินัยน่ะชาวบ้านรู้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะพระอันพระวินัยนะแต่เรื่องที่พระจะทําในระเบียบพระวินัยของสงฆ์เนี่ยต้องทำในอุโบสถนี้ต้องทํา เอาอ่าี้ว่าการบวชพระในอุโบสถเนี่ยแล้วไม่ยมเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยถือว่าเป็นความลับไหมก็ไม่เรียกว่าเป็นความลับนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นไม่ใช่พระอย่าไปยุ่งนะนะเข้าใจครับไม่ใช่ทหารอย่าไปเสือกรู้เรื่องอะไรของที่ทหารเขาทำกันนะทหารทําผิดขึ้นศาลทหารใช่ไหมครับตำรวจจะจับได้ก็ตามแต่ต้องขึ้นศาลทหารใช่ไหมเงี้ย มันจะเป็นทํานองเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะส่วนของใครของมันโอใช้ภาษาก็ไม่ถูกด้วยเฉพาะกิจเฉพาะเรื่องเฉพาะ อ, อย่างเออเฉพาะสถานะเฉพาะบุคคลไปเฉพาะกิจออันในี้ใกลเคียง สงในกลุ่มของสง์เขาจึงว่าสังฆกรรมสังฆกรรมคือกรรมของสงการกระทาของสงไม่ให้เกี่ยวกับชาวบ้านอะไรเลยเข้าใจแล้วเนาะสถานที่ประกอบสังฆกรรมที่ถูกต้องแล้วอุโบสถนี้กําหนดไว้ว่าจะต้องทําในที่ที่สงบสงัดจะต้องไม่มีที่รบ ก, กวนจะต้องไม่มีที่ผู้พล่าน แยกส่วนต่างหากแยกแดนต่างหากตัวันนี้ก็จะมีวิสุงคามสีมาที่ได้รับอนุญาตจากากษัตริย์ให้แยกเป็นที่ต่างหากกับกับอุโบสถที่ไม่ใช่วิสุงคามสีมาอุโบสถที่เป็นวิสุงคามสีมาคือได้รับพระราชทานจากกษัตริย์อุโบสถที่ไม่ใช่วิสุงคามศีมาคือทําทตัวอุโบสถขึ้นแล้ว2คทัดนิมิตให้บริเวณนั้นเป็นเขตแดน ในส่วนของสังฆกรรมอันเนี้ยงกมีเขนดไ้นฮะมีเรัขนดไว่าอย่างน้อยจบุคคลได้ไม่เกินอ่ไม่ต่ากว่า21ไม่ใ่ไม่เกินะไม่ต่ากว่า21เอาศาสนพราหมะกรรมนะฮะใช่อาชาโสโพโสโถามมาว่ารอยพระพุทธบาทที่อยู่ในประเทศ ต่างๆเป็นรอยพระบาทพระพุทธเจ้าจริงๆหรือมนุษย์สร้างขึ้นเพื่ อ, อไว้เป็นที่ระลึกว่าพระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาณนะที่นั้นๆครับรอยพุทธบาทที่มีอยู่ที่ตัดไว้ปรากฏเป็นหลักฐานทางพัตยปิดกมีอยู่500รอยใช่ไหมรอยพระพุทธบาทที่อยู่แม่นำ้ำน้ำมาทาลิมฝัง่งแม่น้านมทาหนึ่งรอยพุทธบาทที่อยู่เขาสัจพันธ์หนึ่ง ลอยพุทธบาตรที่อยู่เขาสุวรรณนาบรรพด์หนึ่งลอยพุทธบาตรที่อยู่ในเขาสุวรรณมาลิกหนึ่งลอยพุทธบาตรที่อยู่ในเมืองเมืองอะไรอีกอั น, น, โโนหนึงโยนกปูรากหึงมีอยู่ห้าที่ที่เป็นที่ที่พระเจ้าอธิษฐานไว้ว่าขอให้ลอยพระบาทนี้ยังคงอยู่ไม่เลือหนหายไปไหนตราบเท่าศาสนานี้ไม่สิ้นสุดแล้วรอยพุทธบาตรจะมีอยู่ห้าที่นี้เท่านั้น หายาที่นี้ก็ยังไม่มีใครเห็นยังค้นหายังไม่เจอทางหลักประวัติศาสตร์ยังค้นหาไม่เจอไอ้ที่เห็นทุกวันนี้นี่นะจำลองขึ้นนะให้เข้าใจอย่างนั้นเป็นของจำลองแม่น้ำน้ำมาทาในเมืองอินเดียเขาก็ยังไม่ปรากฏขึ้นมาให้เห็นว่าเป็นรอยอยังไงเพราะนั้นในประเทศไทยอย่าหวังเลยว่า จะมีอยู่ปากฏจริงทุกวันนี้เมืองไทยมีกี่้อยเนี่ยไม่รู้กี่้อยแล้วนะเกือบจะสิบแล้วนะ้อยพระพุทธบาทเนี่ยแต่ที่ปากฏที่โฟงอธิฐานไว้ให้ปากฏอยู่ตลอดเวลาจนกว่าพุทธศาสนาจะจะเสื่อมไปเนี่ยจะสิ้นไปเนี่ยมีอยู่5้าอยนี้เท่านั้น ก็จำลองขึ้นใช่เขาจะบอกว่าจริงแค่ไหนก็ตามก็จริงแบบจำลองจะมีประวัติความเป็นมายาวนานแค่ไหนก็ตามไม่มีตำราและประวัติไหนยาวนานเท่ากับพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกสองพันหกว่าปีมาแล้วและตำรานั้นก็ยังเป็นตำราที่ถูกยอมรับทั่วโลกและยังใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อยู่และ เป็นหลักอิงาศาสนาพุทธในเมืองไทยนี้มาเป็นระยะเวลา ย, ยาวนานหมดคำถามแล้วจากโยพวกเรามีใครถามอะไรในนี้บ้างส่วนมากมนุษย์สร้างขึ้นมเยอะ เอ้เคยนัดว่าจะจะอธิบายอะไรนะมันปฏิจปฏิจจะสมบูบาทเอาไว้วันเสาร์หนาไหมมีรายยื่เนเนาะเอาไว้วันเสาร์หนาวันนี้มันพูดเรื่องอื่นไปแล้ว <laughs> นะก็ถ้าไม่มีการถามตอบกันต่อ มันเอ็นไม่ได้หรอกแตกันกก ล, ลาก็ใช้เวลาในการอธิบายทำรายสดเช้านี้แต่เพียงเท่านี้อขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนทุกคน